มาลดต้นมาก่างไม้อมาดูแลแล้วเอาก็ดีก็ดูไปทุกวันนี้เนี่ยอาตมาสรุปสูตรแล้วในโลกนี้มันมีสูตรอยู่สองสูตรสูตรดูใบก็ดูไปเราไม่เอาสูตรดูใบเราเอาสูตรดูไปะทุกวันนี้เราก็เลยใช้สูตรดูไปะเราไม่เอาสูตรดูใบเราเอาสูตรดูไปทุกวันนี้เราก็เอาสูตรนั้นก็เป็นสูตรที่จะต้องทําคือเราเองเราไม่ได้เป็นพวกที่จะต้องไปหักอะไร เรามีแต่พยายามที่จะเสริมสร้างสิ่งที่ไม่ดีแต่เราให้เขาลดถ้าเขาไม่ลดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ได้แต่ดูไปอถ้าเขาลดก็ดีเราก็จะได้เดินไปด้วยกันหรือว่าร่วมกันไปแต่ทีนี้เขาอยากจะร่วมแต่เขาไม่ลดมันก็เลยไม่มีทางที่จะไม่เป็นไปได้ซึ่งเขาก็มองแต่แง่ของเขา ว่าเขาจะต้องลุยลๆยลยทุกอย่างตง้องอลีกทางรับขาบ่าวเราก็ไม่ได้ไปต้านอะไรเขาหรอกแต่เราไม่สนับสนุนนะเขาพุ่งเข้าไปทศทางที่เขาทํามันไม่ดีเ้าต้องการให้เขาลดเขาไม่ลดเราก็พยายามทําเมื่อไม่ลดก็ต้องเรื่องของขายของมันเป็นเรื่องที่บากของขายของมันการทาก็เป็นของเข า, เ, าเราก็ได้จะดูไปสักวันหนึ่งมันก็จะเกินขีด มันจะเกินขีดของมันเองเกินขีดก็อาตมาก็ไม่มีคําตอบมันเกินขีดแล้วมันจะเป็นยังไงเกินขีดแล้วมันก็คือมันไม่สมดุลมันก็ถ้ามันเกินขีดไปอย่างมีแรงที่จะพุ่งลุยเพื่อจะจะไปได้แรงเกินขีดแรงก็เตลิดเปิดเปิงก็ไปก็ใหญ่ก็สูงก็แรงตกประมาณก็มากตกก็มากก็นัก แตกกระจายระเบิดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแรงแอคชั่นรีแอคชั่นมันก็แอคชั่นมีเท่าไหร่รีแอคชั่นมันก็มีประมาณนั้นหรือยิ่งกว่านั้นอะไรก็ว่ากันไป mm hmm. พวกเราเนี่นะเป็นพวกตีอัตมาพามาทมเนี่ยพามาทมในทิศทางที่ทวนกระแสกับทุนิยมเขาเขาใช้พลังงานก็ดีใช้วัตถุ ก, ก็ดีใช้จิตวิญญาณที่จะเสด เสาสิ่งน่าได้น่ามีน่าเป็นได้ก็เป็นสุขไม่ได้ก็เป็นทุกข์เขาก็เดินทิศทางไปในทางที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นโลกีอย่างที่เขาหมายทั้งสิ้นแต่ตมาพามาทานิ่พามาทํอย่างทิศทางทวนกระแสกันทวนจริงๆเลยเพราเราก็คงจะเข้าใจดีแล้วแล้วก็มาเป็นมาอะไรได้แล้วก็อย่าให้เราหลงตนเราตะเลิลดไป <c oughs> มันจะมีช่วงที่เราทำได้แล้วมันก็ดีดีแล้วก็หลงหลงก็เลยจะต้องมีต้องเป็นต้องได้ต้องมาแทนที่เราจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นอะไรต้องลดลงต้องมักน้อยต้องพอแล้วก็ลดลงขีดพอนี่คือขีดที่ไม่ไม่เพิ่มละขีดพอนี่คือขีดที่ไม่เพิ่มแ ล, มมแล้วก็ลดลงลดลงนี่คือการเจริญแต่ทางโลกเขาไม่มีพอ มีแต่ไปเลเรื่อยไปเลยรื่อยไปเรื่อยและมัเป็นปากกลวยมันม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการแย่งกันก็ดีวัตถุดิบก็ดีมันมีเฉพาะอย่างที่าขานทีพูดสมบัติในโลกนี้มันมีพอให้แบ่งกินแบ่งใจกันไปได้อีกชั่วนิรันดร์แต่มันไม่มากพอสําหรับความโล่ของคนที่ไม่รู้จักพอ มันมีไม่พอไม่ไ ม, ม, ม, ม่ไม่มากพอไม่มากพอที่จะให้ความโลภของคนที่ไม่รู้จักพอนะสมบัติหรือทรัพยากรในโลกนีนะ้อะไรก็แล้วแต่ที่จิตตะกระเนี่ยมันจะเอาหมดและลาบยศสันเสริญอารมณ์บลอกจะเอาอะไอารมณ์สุขสุขลิกะสุขลิกะมันก็ไม่พออัตตามันก็ไม่พอนี่เป็นนามธรรมาเลยกรรามาสุขลิกะก็อั ต, ตกิริมุธาน มันไม่จบไม่พอมันไม่รู้คนไม่รู้มันไม่พอหรอกลาบมันเกิพอยอดมันเกิดพอยันเสิร์ฟมันก็ไม่พอมันมีมันไปปากกลวยมันไม่ได้จบพระธรรมของพระเจ้านี่รู้จะขีดพอแล้วก็ลดลงมาครับก้นกลวยสุดท้ายจบสุดพุสุดได้เลยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรเลยสุดปลายแล้วนี่คืออรหันจบสบายแล้วก็เป็นสุขชีวิตเกิดจากจิตปัญญาณเป็นตัวรู้จักสภาพที่มันจะรู้สึก จิตวิญญาณรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุขที่เรียกว่าสุขสงบก็คือสุขไม่ต้องสุขต้องทุกข์แบบโลกรีเขามีแล้วก็สุขมีแล้วก็สุขมีแล้วก็สุขพอเราสามารถทําให้ลดได้ก็เรียกว่าไม่มีวีตราคะวีตโทสาวีตโมหะคือความไม่มีสะระคะสะโทสะโมหะก็คือเพิ่มราคาเพิ่มโทวสะเพิ่มโมหะไปเรื่อย พอเราเดินทิศทางโลกุทระมันก็ไม่มีมาได้เรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายมันไม่มีอะไรจะไม่มีอีกแล้วมันจบสุดปลายหมดไม่มีอะไรจะไม่มีอีกแล้วลาราบแล้วก็ไม่จะดีกระดาอะไรมันก็สร้างราบมาก็จ่าย จ, าจย่ายเจียจานอะไรที่เราจะพออาศัยกินใส่อาศัยใช้ในชีวิตเป็นปัจจัยพออาศัยพอกินเลยอร่อยเออรสอย่างนี้รูปอย่างนี้กลิน่นอย่างนี้ต้องปรุงต้องแต่งต้องมากไม่มันก็คือ เอาธาตุจะกินก็ใช้ธาตุจะจะใช้กับร่างกายให้พอมาะปัจจัยเสื้อผ้านาแพรกันุ่งหมกันร้อกกันหนาวกันแมลงสัตรูต่อยกันอุจารก็พอแหละที่พักที่ผ่อนก็การร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กอามาการลมกันแรงกันอะไรอะไรบ้างพอหลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบหนาวหลบอะไรใจพอสมควร มันพอจริงๆมันแม้จะกระเบียดกระเสียนบ้างมันก็ไม่เดือดร้อนใจนะกระเบียดกระเสียนบ้างก็ไม่เดือดร้อนใจจริงๆยารักษาโรคก็คือยารักษาโรคไม่ใช่ยาเสพติดอย่างที่มันมองเมากันทุกวันเนี้ยยาเสพติดมากมายจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะยาเสพติดที่เขาเรียกยาเสพติดจะขึ้นชื่อกว่ายาเสพติดหลายๆยาเหมือนกับเราอาจะมาแก้อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งเสพติดมันมีท่าที่จะกระตุนหรือ ล้างปรับอะไรเนี่ยติดยาดมยาอมยาหอมติดยาอะไรต่างๆนา น, นาที่มันเป็นที่มันกระตุน้นประสาทแล้วก็ไปติดไปยึดยึดเรืองนั้นเยอะมันไม่มากมันก็ไม่แรงไม่ทําให้พิษภัยถึงขั้นถึงตายแต่ก็ติดไปจนตายติดไปจนตายเพราะไม่ค่อยรู้ ส่วนไอจิตแรงยังต้องเสียสุขภาพแล้วถึงตายใ น, นยาเสพติดพวกนั้นแน่นอนอยู่แล้วก็ช่วยกันป้องกันแต่ในทิฏฐานพระพุทธเจ้าแล้วแม้ที่คุณจะเสพติดเสพติดพวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างในขั้นตอนหนึ่งเช่นสุบรีมันไม่ตายทันทีแต่ถึงขีดมันไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆอย่างที่มันติดเสพเป็นาธาตุที่มันจะเข้าไปเป็นพิษทางร่างกายบ้างแต่มันไม่ทันทีมันไม่แรงอ่ะเยอะ เรามาใช้กันอนุโลมกันไม่ต้องเอาอะไรนะ่ะยาไม่ต้องยา้า เ, เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดืมด ope เครื่องเืออะไรพวกนี้ทั้งนั้นแหละเรื่องคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปด o p ไปต้องไปอะไรก็เอาท่าที่พอเหมาะพอดีก็ชีวิตนะเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยเราเข้าใจแหละนอกนั้นเฟอถ้ามีมาก็เอามาเสริมสร้างถ้าไม่มีเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไร บารมีเรามีเอ็ น, นี่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือบริการส่วนที่จะต้องเอามาทําประโยชน์ทำมาแล้นนอกจากส่วนตัวบริการแปดแล้วก็อื่นๆือีกมีไฟฉายมีแว่นตามีปากกามีคอมพิวเตอร์มีเครื่องอันนั้นนี้สิทธิเราไม่ได้มานํามาใช้เพื่อลาลาบลายลาลายศลาสันเซินได้โลกีเยสุอะไรให้ตัวเองเลยเครื่องมือพวกนี้เรามาใช้เสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างขึ้นไปให้มันจเจริญสิ่งที่น่าสักน่าทำเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่าประโยชน์ เสริมสร้างในคล่องขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นอะไรเราก็ทําเราก็ใช้แล้วก็รู้เครื่องมือับวัตถุอุปกรณ์พวกนี้ที่เป็นประโยชน์ล้วก็ทําแต่ไม่ได้ทําให้มันมากขึ้นมาเพื่อที่จะได้มากแล้วก็เอาไปเหมือนทุนนิยมเอาไปได้ผลผลิตไดไ้แล้วก็ไปโกยกําไรโกยเอาเปรียบเอารัดทําอะไรต่ออีกยิ่งวิจัยได้ดีก็ตั้งราคาแพ ง, แพง อใหม่ๆก็ออกมานี่ใหม่นะราคาแพงก่อนพอมันมากแล้วมีคนแข่งมีคนทำอะไรได้ดีกว่าก็ถึงจะถูกลดราคาลองอะไรเป็นแบบทุนนิยมที่เ้าทำกันทำไม่เราทําเพื่อที่จะอะไรที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ดูเราก็ทำใครแย่งทําแล้วเอาดีแล้วคนอื่นแย่งทําก็ว่าไปเขาก็ทําได้ดีให้เขาทาเพราะเราไม่มันพอกินไงธรรมะของพระเจ้านั้นตรงที่มันพึ่งตนเองเรามันทําพอกินพอใช้ของเราเอง หนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตนเองรอดสามทำเพิ่มเพิ่มนั้นเพื่อนมนุษย์ชาติเป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นกุศลทั้งนั้นเลยที่ทำเกินกินเกินใช้ของเราเองและเราก็มีขีดความพอจิตตัวสันตุถีทำจิตสัมโดจิตพอเนี่ยมันเป็นจิตจริงต้องอ่านตัวเองทุกคนเลยอัตมาบอกให้พวกเราเนี่ยยังไม่มีจิตตัวนี้อย่างเที่ยงแท้สมบูรณ์ เพราะฉะันยังยากรวบในเงินในทองในลาบในยศในอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆที่ไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ดูจุนจานรุนแรงแล้วมันก็ไม่ไปปท ะ, ะมันก็ไม่ไปเบียดเบียนมันก็ไปไปมีไม่เมีศัตรูไม่มีตัวต่อต้อตานที่ทุกข์เราก็เลยไปเรื่องต้องอ่านความจริงว่านี่เรายังดากได้เปรียบเรายังอยากจะมีจะเป็นได้เป็นเชิงลาบมากขึ้นเป็นของตนยศสูงขึ้นอํานาจมากขึ้นสันเสริมมากขึ้น หรือแมแต่เรื่องของการดูรถกินเสียงสัมผัสก็ทั้งนั้นแหละต้องอ่านอาการพวกนั้นที่จิตของเรายัางไฝปรารถนาต้องการต้ออ่านอารมณ์ต้องการจะเรียกว่าตัณหาพวกนี้อ่านไม่ออกมันเป็นนามธรรมมาเป็นอาการจริงถ้าคุณไม่ฝึกฝนเรียนรู้อาการลิงคนิมิตพวกนี้ที่เป็นนามมารูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามมธรรมไม่มีตัวตนรูปร่างสีสันแต่รู้ได้โดยอาการกับเครื่องหมายเลว่านิมิต ถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้นามรูปด้วยลักษณะนี้อย่างที่อาตมากําลังพูดอยู่อย่างสําคัญอาตมาถือเป็นประเด็นสําคัญอย่างที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเขาแย่งอาตมามานามรูปของเขายังเข้าใจสภาพนามที่เป็นรูปไม่ได้เขาบอกนามก็นามสิรูปก็รูปสินเนี่อนามของศาสตร์เขาเอามาปนกันได้ไงนามก็นามมันรูปก็รูปแต่นามรูปไงเยอะๆอาตมาด้วยนะ หาวัาตม า, านี่โง่ดักดานเลยก็มันคําว่ารูปอยู่โยงยงนามมารูปแล้วนามมันเป็นรูปไดงไงน้ำก็ต้องเป็นน้ำรูปก็ต้องเป็นรูปเพราะท่านบอกว่านามรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เวทนาสัญญาเจเ จ, เจตนาผัสสะมนุสิการซึ่งเป็นนามมาทําทั้งนั้นนะ่ะแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นนามมารูป เขาก็ไม่รู้ออกพราะเขาเข้าใจเขาเรียนมาได้มิติแค่นั้ น, น่จบมิติตรงนั้นอาตมาก็พยายามพูดอธิบายเพื่อเขาจะมีจิตเปิดนิดหน่อยรับอ๋อรัไปติดอยู่ตรงเนี้ติดอยู่ว่ารูปเป็นน้ําไม่ได้ไม่ได้เวทนาจะเป็นน้ําได้อย่างจะเป็นรูปได้ยังไงเวทนามันเป็นน้ําก็มันเป็นสิ่งถูกรู้คำว่ารูปขคงนี้มัน มันไม่ใช่ดินน้ําไฟลมมันไม่ใช่มหาพูทธรูปมันเป็นนามแล้วเป็นกายในกายเข้ามาเป็นเวทนาแล้วเป็นอารมณ์แล้วแต่มันเนื่องมาจากปัจจาเหล่านั้นเป็นเหตุและคุณก็มายึดข้างในเนี่ยถ้าคุณปั้นลมๆแรงๆนะถ้าคุณยึดจากเหตุปัจจัยดินน้ำไฟลมข้างนอกอะไรก็มายึดเป็นเราเป็นของเราเช่นยึดเราจะได้ทองได้เงินไอทองเงินมันก็เป็นทองเป็นเงินอยู่ข้างนอก คุก็ยึเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นนามแต่คุณก็ยึดเยนั่นแหละซึ่งมันซ่อนอยู่คุณไม่รู้ว่าคุณยึดคนที่เงินหรือทองมันไม่เป็นของเราแล้วมันมันหลุดไปเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วมันตกไปเป็นของคนอื่นแล้วเราก็ยังโอ้โหจะต้องเอาคืนจะต้องเอาคืนไม่เอาคืนไม่ใช่ได้จากคนนี้ก็เอาคืนจากคนอื่นก็นต้องได้คืนมา นี่หมดไปตั้งหมืน่นต้องเอาหมืน่นคืนมาต้องให้มากกว่าหมื่นอีกหมื่นกว่ามากกว่าหมื่นอีกคุณก็ยึดอยู่นั่นแหละถ้าคนที่เห็นว่าเอ้าก็ให้หมื่นก็หมื่นก็เอาไปซื้แล้วก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ตอนนี้เรามีกินมีใช้อยู่อยนี้เราก็พอแล้วจะกินจะใช้กระทําใหม่ขึ้นมาไอ้นั่นก็แบ่งแกะกันไปเขาจะเอาไปก็เอาไปมีหมืน่นมีแสนอะไรก็เอาไปแต่ยังยึดเป็นเรา ffe, เป็นของเราเนี่ยเป็นนามธรรมาถ้าไม่หัดฝึกไม่อ่านนามธรรมที่มันยึดเป็นเราเป็นของเรานี้ คุณยึดเป็นเราเป็นของเรานี่นา ม, มาทนะํเนี่ยต้องถูกรู้เรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นไอ้นา ม, มาทําที่ถูกรู้ที่เรียกว่ารูปนา ม, มารูปอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูป ร, รูปยิ่งไปปั้นวิมานโอ้วิมานสวยมันยังไม่เคยมีหรอกในโลกแต่เขาสมมติมาแล้วคุณติดแล้วแล้วคุณก็ได้เป็เหตุปัจจัยแต่ทีนี้คุณก็สมมติใหม่มีวิมานใหม่ทั้งสวยทั้งรู เช่นว่าสวรรค์วิมานที่เจ็ดชั้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหมีเพชรมีพลอยมีว่าวิมานอะไรตกแต่งงามมากเลยอย่างนู้นอย่างงี้มันก็เป็นวิมานยังไม่เคยมีเราวิมานอย่างงี้ไม่มีในโลกไในไหนพบในไหนมันก็ไม่มีแต่คุณสร้างเมรมิตรนิมานนรดีสร้างขึ้นไปนะพอสร้างขึ้นไปวิมานนั้นคุณก็ต้องภาคเพียรให้มันได้ดังที่คุณมีวิมานไว้แล้วจะต้องมีเพชร เอาเพชรในโลกนี้มาใส่ต้องมีอะไรที่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ยังไม่มีของไอ้นี้ต้องหามาให้มันเหมือนให้มันมีเข้าไปใส่ตามที่คุณฝันมันจะมีรูปนั้นรูปนี้ยังไงคุณก็พยายามปรุงแต่งปรุงแปลงปรับให้มันเหมือนมันไม่เหมือนกันมันใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เท้าเอาไปเรืมาสิ่งที่ต้องสร้างต้องเกิดก็ถูกคนสังขารปรุงแต่งขึ้นอย่างนี้แหละจากนามมาเป็นรูปอย่างที่ไอน์สไตน์ว่าต้องมีจินตนาการก่อนแล้วค่อยสร้าง พพวกนักดีไซน์เนี่พวกเพ้อฝันจากปั้นลมๆแรงๆมาแล้วก็มาประดิบประดอยให้มันเหน็ดมันเหนื่อยแล้วก็ว่านี่แหละความเจริญความก้าวหน้าความปรุงแต่งความสวยงามรู้รา้าฟูฟ้าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นแล้วก็ไม่มีจบคุณจะทำยังไงไม่มีจบส่วนคนที่เลิกแล้วไอ้ไปปันป้นไปรสร้างวิ ม, มานนั้นออกก่อนแนละ้ะแม้คุณมาหลงติดยึดอยู่นี่คุณก็ต้องมาล่างลงล่างลงล่างลง เยอะนะยังเยอะอยู่นะแต่ละคนนี่จะไม่ได้น้อยนะจะต้องมีต้องเป็นต้องได้อยู่ในจิตที่ยังเป็นอุปทานเพราะมันกว่าที่จะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างก็มีแต่สิ่งที่พออาศัยกินใช้อย่างสมชีวิตอาศัยเท่านั้นอีกนา น, นเพราะงั้นถ้ารู้จนกระทั่งรู้จักพอและมีแต่น้อยลองน้อยลงจนตั้งสุดท้ายถึงปลายกลวยศูนย์ คุณเองคุณเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีฝีมือความสามารถทําสิ่งที่รู้เป็นสาระเพราะก็ขยันหมั่นเพียรทํางานที่มันเป็นสิ่งสาระแล้วก็อาศัยกินอาศัยใช้ปัจจัยที่สําคัญจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะต้องอาศัยในหมู่เราอาตอมาเคยพูดว่าคนในโลกนี้ถ้าพวกคุณเห็นแล้วว่าโอโหทํานาปลูกข้าวเนี่มันเหนื่อยไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วคุณก็ไปทาหมด สุท้ายเขนีไปหมดทุกคนอัตมาก็จะต้องเป็นคนไปทํางานทนานาคนเดียวก็ต้องทําเพราะถ้าไม่ทํานาข้าวเป็นหนึ่งในโลกคุณต้องกินข้าวกันเป็นหนึ่งในโลกก็ต้องมาทําเพราะมันไม่มีคนทําถูกหลอกให้ไปทําอื่นไปหมดอย่างนี้เป็นต้นผู้เห็นความสําคัญก็จะรู้ความสําคัญในความสําคัญก็จะมาสร้างอันนั้นเอาไว้คนจะเห็นว่าต่ําว่า หนักว่าเหนื่อยว่าเหน็ดว่าหนาแต่มันสําคัญคุณต้องทําแต่ตัววันนี้อาตมาไม่ทํานาเพราะพวกเรายังทําอยู่ถ้าใครไม่ทํานาจริงอาตมาต้องมาทํานานะถ้าพวกเราช่วยกันทํานาน้อยอาตมา ก, ก็ต้องลงมาลุยนาให้มากขึ้นอันนี้ก็พวกเราก็พอมีเป็นไปแต่ส่วนที่จะทําสิ่งที่จะเป็นความรู้หรือเป็นเรื่องของไปเชื่อมกับโลกเขาแล้วก็ให้โลกเข้าใจแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาเทตมาเชื่อมกับโลกข้างนอกเขามากขึ้นเนี่ย ไม่ได้จะไปกับเขาจะจะไปเชื่อมกับเขาให้เขารู้รู้ว่าอ๋องนี่เลอแล้วก็ลงมางนี้จะได้ดึงเขาลงมาอีกไม่ใช่ไปเชื่อมเขาจะตะเดือบเปิดเปิงไปกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ไปกับเขาแล้วก็จะให้เขารดลงมาพากขนมาลดซึ่งลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะที่คนที่มีความเข้าใจแล้วก็มี ปัญญาที่จะเป็นศิลปินหรือเป็นช่างเป็นช่างที่จะทําอย่างนี้เพื่อจะให้เกิดสภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็จะได้ทําให้คนลดลดออกมาเป็นอย่างนี้ได้จะทําให้คนมาเป็นคนช่นนี้ได้จึงเป็นช่างหรือเป็นศิลปินเป็นวิศวกรหรือเป็นศิลปินเอกของโลกพระพุทธเจ้าเป็นศิลปินเอกของโลกเป็นวิศวกรเอกของโลก ที่จะสร้างโครงสร้างของพฤติกรรมมนุษย์ให้มนุษย์สามารถลมาเดินมาทางโลกุตระเป็นมนุษย์อารยะเป็นมนุษย์โลกุตระได้ไม่เช่นนั้นเป็นมนุษย์โลกีเป็นมนุษย์ปุถุชนหยาบกล้ามน้าไปในทางโลกีแปลปากปากลัวกันหมดพอเข้าใจขึ้นไปอมไม่ค่อยตอบรับแสดงว่าเข้าใจนิดๆมันก็นนนไม่ค่อยเข้าใจอ ย, อยู่เยอะจังเงียบๆ อถ้าเข้าใจดีมันก็จะต้องแรงทีน้ะเพราะเข้าใจดีไหมโอ้เข้าใจดีมากเลยตื่นเต้นดีใจนี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ง่ายนักน้าธรรม ก, ก็ว่าไม่ง่ายนักที่จะต้องที่จะเข้าใจอย่างที่ว่านี้ได้แต่ธรรมภ า, าทําอยู่เราไปลองตรวจสอบดู ด, ดีๆเพราะพรุทธเจ้าพาธรรมาทําแบบนี้เราธรรม ก, ก็มาพูดแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ยัง ตรสอบของตนเองอยู่ว่าที่พูดไปนี่ทําอย่างนี้จริงหรือเปล่าทำอย่างนี้จริงแต่ในการยืดหยุ่นหรือ ก, การมีสัจจ า, านุลมิตรยานในการที่จะเพิ่มขยายผลขยายโน่ยนี้เอามาประสานข้างนอกแล้วก็ขยายเชื่อมโยงกับทั้งนอกซึ่งพวกเรานี่มันมีลึ ก, ล ก, ลกอยู่บางคนรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเหมือนกขาเป็นคนลกลว ก, ลว ก, ลวกๆนอกๆไม่อยากให้อัตมาเขาไปยุง่งไปเกี่ยวคือ ลึกๆเขาก็ห่วงอาตมาจะถูกทางน้นฉุดไปนั่นมองในแง่อีกหนึ่งแง่หนึงงน่งก็คือว่าเขาไม่เชื่อมืออาตมาเขาเชื่อมือทาน้นมากกว่าว่าจะฉุดอาตมาปไปได้นีนอ่อาจารมาอธิบายให้มันครบนะอส่วนคนที่เชื่อมืออาตมาบอกโอ้พ่อท่านบอกอะไรลุ้ยเลยไม่ต้องคิดหรอกก็มีแต่คนที่ยังระแวงอยู่เนี่ยแสดงว่า ยังไม่เชื่อมืออาตมาหรอกแล้วรู้สึกว่าคนนี้เขี้ยวด้วยนะมันจะดึงไปก็เลยหวงห่วงอาตมาไม่อยากให้ไปทําแต่อาตมาก็เข้าใจอาตมาก็ปลอมอันอาตมาไม่ประมาทนะไม่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคนที่อาตมาว่าเอออันนี้ใช่อันนี้อาตมาเป็นด้วยไม่ได้หรอกเพราะเขาเขี่ยวด้เกินเขาแรงมากอาตมาต้านไม่อยู่ตราสู้เขาไม่ได้หลายอย่าง อาตมาก็ประมาณอยู่กันทำกันไปเท่าที่มันเป็ น, ปนไปเพราะในขณะนี้ที่มันมีการทวงดุนหรือยึทวงหรือว่าต้านกันอยู่อย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงแบบนี้แหละปรัชนาดีกันทั้งนั้นน่ะผู้ที่จะมาตามอาตมาเพื่อที่จะขยายออกไปนอกผู้หนึ่งอยู่ข้างในกลัวข้างในจะหมดเนี่ยมันก็ดึงกันอยู่แค่นี้เองเสื้อตมาก็ใช้ปัญญาประมาณว่าเอาอันนี้อารมณ์ได้อย่าง เชื่อมได้ยังถ้าเชื่อมไม่ได้ยังโู้ไม่ได้อัตมา ก, ก็ยังเอาอันนี้ได้ก็ทําไปส่วนแกนก็ดูแกนไป <c oughs> มันอาศัยแกนด้วยถ้าแกนไม่พอไม่มีฐานทุนไม่มีทุนพอให้ถน้นดึงไปอีกก็ไม่ได้ซึ่งอัตมาอธิบายเป็นรูปธรรมงา่ายๆเหมือนกับคนช่วยคนตกบอ่อเรามีแกนมีรากมีดึงทั้งนี้ยึกออืมลงไปข้างล่างจะดึงคนในบอ่อขึ้นมาเนี่ย มันลงลึกไปได้แค่ไหนจะดึงน้ำหนักได้แค่ไหนเราก็ต้องประมาณลึกได้เท่านี้น้ำหนักได้แค่นี้นั้นมากกว่านี้ดึงเราหัวที่บอกไว้เลยเราต้องประมาณของตนเป็นจริงๆเราต้องเผื่อไว้อย่าไปประมาทถ้าประมาทหัที่บอกจริงๆตายไปด้วยกันทั้งคู่เลยไม่มีทางช่วยกันได้อันนี้ต้องใช้จริงๆไม่ใช่จริงๆประมาทจริงๆไม่ได้ถึงอาตมาเขบอกว่าอาตมาไม่ประมาทหรอกประมาณ ถ้าไม่เจ็ดสิบเปอร์ซ็นแปสิบเกือบแต่สิแปมาไม่เสี่ยงห้าสิบหกสิบไม่เล่นหรอกเรื่องอะไรเพราะว่าเราเองก็ไม่ต้องการอะไรมากมายได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเท่านั้นเองเพราะคนที่รู้จักพอแล้วไม่ต้องการมากเกินนี้มันก็ต้องการเกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปสิแต่มันก็ไม่ใจดํำจนกระทั่งช่วยไม่ช่วยใครจะทําได้อยู่ก็ไม่ทําไม่ดี เพราะการประมาณนี้ต้องฝึกต้องศึกษาแล้วก็ต้องรู้เหตุปัจจัยที่จะประมาณปัจจัยตาคำนวณถูกคำนวณผิดพลาดนี่เยอะหกดดีลงตนคำนวณผิดพลาดนี่เยอะก็ต้องระมัดระวังก็การที่ไม่เผลอตัวที่จะปล่อยประละเลย ก, ก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาตมารทำนี่ก็ไม่ต้องไปตามใจอาตมาหรอกทวงไว้น่ะดีแล้วละ่ะแต่อาตมาจะตัดสินเองแล้วก็ค่อยๆ อะไรที่อาตมาว่าอาตมาจะจะทำเพื่ออาตมาก็ดึงๆหน่อยยื้อๆหน่อยก็เอาเพราะบุคุณก็ห้ามอาตมาไม่ได้แล้วาอาตมาจะดันทาใช่ไหมแต่บางทมานก็ต้องประมาณจริงๆเพราะอันนี้ก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นถ้าติดธรรมมาก็รู้สึกยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าพลาดนะมันอาจจะมีเออเรอ เล็กๆน้อย ๆ, ๆมีบ้างจะน้อยแต่พลาดที่เป็นเป็นการเสียหายพลาดยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยพ่อท่านนี่ต้องทําให้เขาจับแล้วก็ต้องขึ้นศาลสุดท้ายแพ้ติดคุกเนี่ยนี่อัตมาคํานวณพลาดซึ่งอันนี้คนว่าอัตมาว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมได้คํานวณพลาดลองมาทันเองท่านจะต้องเจอเทวทัตกินหินมาทับ คำนวณไม่ไม่จะพลาดนะครับท่านเท้าประบาดหอเลือดเนี่ยท่านคำนวณพลาดอาต้องปล่อยให้เขามอมเหล่าช่างนาราคิรีมาโอ้โหมันไล่ขิดเอาเงี้ยท่านคำนวณพลาดไม่ใช่เหตุประจัญไม่มีมา ก, กนะท่านอาตมาอธิบายกินไตพวกนี้ไม่ได้ท่านก็มีของท่านอาตมาก็มีของอาตมามันก็มีเหตุประจัญอาตมามาถึงวันนี้อาตมากล้าพูดว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ถูกจับ แล้วก็ถูกตัดสินนี่นะโอ้โหมันเรื่องดีเราได้ฟักตัวเราได้โลโปรโฟล่ฟาฟเราได้หยุดสร้างสารรเราได้ไม่ได้ไปต่อแยเขาไม่ได้ไปอะไรมากขึ้นเราได้เตรียมตัวเราได้ถู ก, กจากัดขอบเขตจากัดอันนั้นอันนี้มันก็ทำให้เราได้ทำอยู่ในนี้อย่างสร้างตั้งหลักอะไรต่างๆนั้นนะหรือมีอีกเยอะอัตมา บางทีบางอย่างเขาไม่บอกไม่ได้พูดไปแล้วมันเปิดเผยมันมันเป็นไซโคโล l ีชนิดหนึ่งก็เลยพูดไม่ได้มันดีถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะเราไม่พูดจนจบก็ได้เราไม่หลุดรอดและอิสระออกมาอย่างตอนนี้กฎหมายก็ทําไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ให้มันหลุดตัวไปยังไงวะมาจบแล้วคุณสายสล้ว รู้ตัวก็สายเสียแล้วอะไรอย่นี่เป็นต้นนะจริงๆนะรู้ตัวก็สายเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเน้นคําเนี่ยจะเอาอย่างทําไม่ได้ทําไม่ได้ยันตระยังทําไม่ได้เลยเห็นไหมยันตรายังทําไม่ได้เลยเน้นคํำก็ทําไม่ได้ฮะนีก่อนก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ะ เราทำได้เพราะาเรานิเฮปัดมีปัจจัยที่มากกว่านั้นสำคัญก็คือเรามีตัวจริงมากกว่านั้นมีสัจจะที่มากกว่านั้นนี่คือสัจจะเพราะฉะนั้นมาถึงตุกวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมปัญญาชนค่อยๆเข้าใจเราขึ้นเยอะเพราะปัญญาชนแต่ก่อนนี้หลายผู้หลายคนอโอ้มองมองโดยเฉพาะอาตมานี่มองอย่างมินยาม มองพวกเรานมองพวกบ้าแต่ทุกวันนี้พอเข้าใจขึ้นมาว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้อาตมาพูดพวกเราอยาอยาฟังแลวหลงหลือเลิงนะ <S <S 1> <S 1> ขงเขาเข้าใจอโศกมากขึ้นว่าอโศกนี่เพื่อมวลมนุษยชาติทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชัดกว่าทีมใดๆขณะนี้เท่าทีมเป็นทีมหรือเป็นเป็นกลุ่ม เอ็ NGO หรือกลุ่มอิสระองค์กรหน่วยที่ไม่ใช่ราชการไม่ใช่หน่วยเป็นตัวประกาศทุนนิยมร้อยเซแต่เป็นบัมบัททวงมาทวงเพราะเอ็นจีโตั้งใจมาทวงสังคมเท่านั้นแหละแต่มันไม่ไม่ค่อยเป็นจริงมันกลายไปเป็นทุนนิยมซะเองมันเป็นโลกีซะเองแค่เดีเขาตั้งใจจะมาทวงเท่านั้นแหละแต่ของเราเนี่ยชัดกว่เพื่อน นอกจากชัดกว่าเพื่อนแล้วมีมวลแน่นกว่าเพื่อนถ้าจะว่าใหญ่ก็พอได้ใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ตอนนี้ซึ่งใหญ่จน อ, อ, อ, อาตมากลัวกลัวว่าเขาเข้าใจพราเราผิดเพราะเราเล็กเรายังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พลังของเราเนี่เขาคำนวณผิดเขาเห็นพลังงานของเราออกไปเนี่ยมันเป็นพลังงานทวีเป็นปฏิภาคทวีที่เรามีพลังที่เกินสามัญ ที่ไปแส ด, ดงออกเขาก็รู้ไม่ได้เช่นเรามีเวลาเหลือกันเยอะเพราะเราไม่ไปทำงานเรามาทำงานที่นี่เราพอินพอใจกันแล้วแหละเราไม่เอาเวลาไปเที่ยวไม่เอาเวลาไปหาเงิน <ism an> ไม่เอาเวลาไปเป็นของตัวแล้วเวลาก็เยอะ <im ans> เป็นส่วนเกินทางเขาคิดไม่เขาคิดไม่ออกเราไม่ต้องสะสมเงินเงินก็มาเป็นส่วนกลางเยอะรายได้เราไม่ต้องเอามันก็มาส่วนกลางเยอะอย่างนี้เป็นต้น ทั้งเวลาแรงงานและทุนรอนนี่มันเซฟมาหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันจึงเป็นเป็นเป็นปฏิภาคทวีที่เป็นอัตราการก้าวหน้าที่เป็นหน่วยสูงที่ทั้งโลกก็ทําไม่ได้ไง่ายๆโลจีก็าทาไม่ได้ไง่ายๆแต่โลกอุตระมันได้มันเหลือจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ส่วนเกินพวกนี้เราจึงเอาไปใส้คนข้างนอกที่กว่า อสองมันรวยไม่ต้องเอาใครล็อกพวกน้องๆอาตมาลูกลุงมันบอกว่าอาตมารวยจริงลูกลุงที่ยังงางงางรหยเนี่ยเขาจะบอกอาตมารวยที่จริงอาตมาไม่มีอะไรกับพวกเราเนี่จะมาทุกอย่างก็ เ, เป็นส่วนกลางสาาธรับโพกีธรรมไรตันะรนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่ซับซ้อนอยู่อธิบายยากอย่างเรืออาตมาไม่เก่งเพราะงันจะมีคนมาช่วยแยกกลุ่มแยกหมวดแยกหมวดอธิบายให้คนเข้าใจทําไมมันมีอันนี้มาส่วนนี้เกินส่วนนี้เพิ่มส่วนนี้หรือส่วนนี้ทองมัตมาไมอันนี้มากลายมาเป็นอันนี้เป็นกองมากอันนี้ไม่เป็นอันนี้นนี้ลึกๆพวกเรารู้สึกอยู่ใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรได้มากเท่าไหร่นั่นไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันมีก้อนมากพอที่จะเอาไปทํางานส่วนเกินนอกจากตัวพวกเรานอกจากบำเรือตัวพวกเรา ใช่ไหมซึสมันซับซ้อนเพราะเราไม่ใช้มากกินมากแล้วเราแม่ไม่ได้มากเราก็ไม่สะสมไม่ดึงห่วงไม่ดึงแหนไว้เป็นของเรามากแล้วก็สะพัดออกไปได้รวมกันแล้วมันเลยมากดูมันมากดูมันมากถ้าคนมันน้อยมันก็ออกไปน้อยแต่นี้หลายคนก็ร้อยคนพันคนหมื่นคนถ้ายิ่งมากขึ้นนานขึ้นมันมีหมู่มวลแล้วก็มีแรงงานเวลาแรงงานทุนร้อนมากขึ้นดี มันก็จะทับทวีก่อนโตขึ้นไปทุกวันนี้มันโตพระมากขึ้นเพราะจะเป็นเงินทุนเงินหมุนเงินที่มันเกิดการสะพัดการทำงานในจะเป็นเชิงทุรธุรกิจเศรษฐกิจอยู่ในวงของพวกกระสุนเรานี้จะเห็นได้ว่ามันมันมีอัตราการก้าวหน้าขึ้นมาทั้งนั้น เนี่ยอัตมาเขาอธิบายไม่ค่อยเก่งอัตมาเขาดูอัตมาอธิบายไมค่อยออกแต่พวกคุณพยายามที่จะใช้ความฉลาดตามฟังอัตมาที่มีพื้นฐานของตอนเองก็คงจะพอเข้าใจข้างนอกคนที่มีปัญญาดีๆเขาฟังจะเข้าใจถ้าเขามีหลักวิชาที่ดีเขาฟังอัตมาพูดนี่เขาจะเห็นว่าโอ้โหอย่างงี้เหรอเนี่ยเขาฟังเขาจะรู้เลยแต่คนที่ยังไม่มีหลักวิชาที่ลึกซึ้งนักอาจจะฟัง ม, มันโมไม่เห็นม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่า คนแน่นอนเขาเป็นอ่งนั้นจริงๆซึ่งก็มีปัญหาอะไรนะก็ค่พิสูจน์ความจริงไปไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรใครจะซักไซะไร่ดียากจ ะ, จะให้พูดอะไรจะกจะให้สลาวอะไรจะให้อธิบายอะไรมีอะไรเร็วมาบามไเลยสองทุ่มกัวแล้วสองโมงสองทุ่มเจ็ดนาที ถ้เป็นรายการที่จะออกหกโมงนี่มันก็หมดไปแล้วในสองทุ่มนี่หกโมงคัดคล้องทางเทคนิคก็เลยนี่แวะๆมาาทดลองอันนี้พอได้ก็เลยทําตรงนี้แล้วเราก็ได้โอกาสกระทานอยากให้ท่านวิเคราะห์ไอ้ที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงแล้วเตรียมตัวแบบไหนนะครับแล้วพอท่านจะคิดออกไปแบบเก่าไหมอย่างงี้นะครับเหมือนในสมัยสิอ่านอย่างงี้นะครับจะจะไปอย่างงั้นไหมอะไรไหมครับสถานการณ์ที่กำลังเกิด ก็อยากรู้ไปทําไมก็ฟังนกหวีฟังลายแทงก็พอแล้วเนี่ยตมาก็บอกลายแทงมาเป็นคร่าวๆนกบีดบอกไปเพราะจะอยู่ยังไงอยู่ขยันมันเพียรใช้พลังปัญญาใช้พลังวิรยิยะใช้พลังอนัวัชาการงานที่ไม่มีโทษและใช้พลังสังฆะนี่ทำไปแคเท่านี้แหลนอกนั้นอฟังนกวีดน่ะ ฟังลายแทงเรือว่าฟ e ังแผนที e ่เดยวเค่อยบอกไปทีเดี้วเท่านั้นก็พอแล้วเพราะอาตมาไม่ได้เป็นคนกําหนดแผนที่คนเดียวอาตมาไม่ได้เป็นคนเป่าโนวีคนเดียวหรอกมันมีกลุ่มหมู่ของพวกเราเชื่อกันอยู่เพราะอยากรู้ไปทําไมอยากรู้ไปทําไมอาตมารู้ว่าอยากรู้ไปทําไมเพราะคุณอยากจะเป็นผู้นําอยากจะเป็นคนเป่าโนบีนี่ยยากจะเป็นคนที่อธิบายลายแทงให้พวกเราฟังแผนที่อธิบายแผนที่ให้พวกเราฟัง เพราะคนที่มีลักษณะผู้นำจะอยากรู้อันนี้แล้วก็จะอยากทำมันนี้ไปนาหน้าจะบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณถามก็ดีแล้วบอกตอนนี้ยังไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปร่างแผนที่ไม่ต้องไปร่าง อ, อ, อนโยบายอะไรนะให้เขาเองเขาทำเหตุปัจจัยออกมาแล้วอาตมาจะรูบรวมเหตุปัจจัยมาบอกว่าเออตอนนี้อันนี้อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นะ เพราะตอนนี้มันเราไม่ต้องทำอะไรมากตอนนี้มีคนเขาออกมาทำเยอะแล้วและเราเก็บที่เขาทำนี่มารวบรวมดูว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนแค่น้เรื่องแหละเราไม่ต้องไปออกแรงมากหรอกตอนนี้ที่อาตมาพูดช่นนี้หมายความว่าตอนนี้นี่ประชาชนคนไทยตื่นนอกจากตื่นแล้วว่ารู้ว่าจะทำอะไรตื่นนี่คือรู้ว่าจะทำอะไร สองสำนึกตื่นนี่ก็รู้ทำอะไรสองสำนึกสำนึกคืออะไรสำนึกคือรู้ตัวแล้วว่าถ้าคืเนเรายังจะทำเพล่เพลไปไพรจะต้องไปตีกินหรือว่าจะต้องไปร่วมจะต้องไปหลงตนจะต้องไปตามไอ้ที่โลกมันพษยเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วนะมันจะต้องหันทิศหันทางมาทางที่คือมันจะมีสองทางใหญ่ๆ ทางทวนก็ทางทางทางทวนก็ทางตามคุณจะตามเ็ไปนู่นหรือคุณจะทวนมามันมีสองทางใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่เราตามมานานแล้วนะนี่ยมันไปใหญ่แล้วนะนี่คือคนสำนึกแลวเกิดได้ปัญญาตอนนี้ปัญญาพวกนี้เริ่มเกิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวนนี้จะหยุดไม่ตามแล้วก็ทวนเริ่มมีขึ้นบ้างขึ้นบ้างขึ้นบ้างตอนนี้มีอย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นในการพัฒนาสิ่งที่มีมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดการก้าวหน้าเกิดการเจริญเจริญพัฒนาขึ้นไปด้วยถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เกิดหรือมีน้อยมันก็ขยายผลขยายตัวเจริญไวในช้าในทีละเล็กละน้อยแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีเพิ่มขึ้นนี่มันมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้หยุดจังการบูรณาการ หรือการเสริมสร้างสังคมไม่ว่าใครทั้งนั้นในตอนนี้ยผู้ที่เห็นแก่สังคมกนละไม้คนละมืออยู่มันยังไม่ถึงกันดูได้แต่คนดูได้มันเยอะแต่คนที่ไม่ดูได้ยังมีอยู่ยังทำอยู่แม่เราเราก็ได้มาร่วมแต่สังคมที่ไม่ดูได้ก็เขาออกมาบ้างอยู่แล้วสังคมสังคมดูได้เขาก็เ ข, าเขาเ้าใจแบบดูได้การเป็นกลางเฉย ประธาจิตหมายไปเองก็ความคิดอันนี้ของเขาเขาก็ทําอยู่แต่คนที่เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วว่าเออไม่ใช่น ะ, ะการเป็นกลางคือต้องเข้าข้างสิ่งที่ถูกต้องเข้าข้างสิ่งที่ดีนะไมเ่เช่นนั้นก็ถูกพวกที่ตังไม่ดีมันก็ปลูกกระดมมันก็ชักจูจงมันก็ชักนํามันก็ครอบงํามันก็หาเสียงโคลงคมอยู่ทุกปนทุกปีทุกวัน แล้วมันก็ได้มวนไปอยู่เพราะฉะ น, นั้นเราจะเกิดปล่อยให้ทางนี้ดึงมวนไปเรื่อยๆท้งนี้ก็หมดทีเพราะคนสํานึกในารายละเอียดที่อาตมาพูดยังไม่หมดนี่เขาขยายไปบ้างในี่คงพอเข้าใจตอนนี้มันสํานึกนอกจากตื่นแล้วสานึกแล้วนอกจากสํานึกแล้วลงมือเริ่มปฏิบัติเริ่มร่วมมือเริ่มประพฤติปังขึ้นมาแล้วเพราะฉะนัะ <S <S ้น ก็รอแต่ว่ามันจะถึงขีดที่อัตราการก้าวหน้าของคนทิศนี้จะขึ้นเมื่อไรคนทิศนี้จะขึ้นนั้นอัตมาไม่เปิดเผยวันจะขึ้นเพราะเหตุใรเปิดเผยแล้วโจรรู้ตัวให้เขาทำไปเถอะเพราะก็าทำอยู่ ถ้าใครชาลาก็ดูเธอเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่กลัไม่เกรงไม่ก ล, ไมกลัวแม่อะไรก็พลาดออกมาได้เช่นคลิปอย่างนี้เป็นต้นคลิปสําคัญนี่เกิดอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดไม่ใช่คลิปตอนนั้นมันก็จะมีอะไรอื่นอื่ระวังคลิปเดี๋ยวมันก็เออเกิดแครปเดี๋ยวมันก็เกิดครบมันก็เกิดครับันก็กอะไรออกมาเดี๋ยวก็ดูแล้วมันก็เป็นไปเองนะทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นสัจจะ เพราะกนพวกนี้ก็ต้องดิ้นเขาต้องทำเขาต้องสร้างแล้วมันก็จะต้องหลุดเออเขาไม่หยุดเขาต้องหลุดเขาไม่หยุดก็ต้องหลุดจริงเพราะฉะนั้นเราจะพยายามชะลอช่วยกันชะลอสิ่งที่มันจะพลานเท่า น, นั้นเองชะลอป้ายชะล อ, อย่ามันผลาอก็โดยจิตวิญญาณคนเนี้ยไอ้คนที่มันรู้ว่าตัวเองมีแรง นอกจากตัวเองมีแรงชนะแล้วตัวเองก็ต้องการคมมีตังหานะมีแรงแล้วต้องการคมมีตังหะนี่แหละคือความจริงที่เขามีเขาต้องมีแรงแล้วก็ก็คมมีแรงก็คมเพราะฉะนั้นกิเลสก้าวหน้าไปกว่านั้นก็อีกก็คือหลงตัวมีแรงแล้วก็คมแล้วก็หลงตัวคําว่าหลงตัวนี่อธิบายอะไรที่มัน ประมาทไปหมดเลยคําว่าลงตัวนี้จะประมาทไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไอต้องขีดประมาทนี่แหละมันจะเกิดเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาใช้สูตรไม่เอาดูใบอาตมาเอาดูไปเฮสูตรดูไปไป ต, ตีความให้แตกว่าดูไปคืออะไรนั่นแหละคือคํำตอบให้คุณให้สูดดูไปใช้ภาษาไทยนี่แหละมาผูกเป็นสูตร ไปทำกใจคคำถามที่เมื่อกี้นี่คุณถามนี่คืออันนี้อ้ากทำยังไงดูไปสรุปแล้วจบคงพอเข้าใจหนะ้าชัดด้วยโอ้โหอาตอมาดูถูกพวกคุณนันนึกว่าคุณจะไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยขออภัยต้องขออภัยคุณที่ไปดูถูกว่าพวกคุณจะไม่เข้าใจแล้วคุณกลับตอบว่าชัดอาตมาผิดขอสารภาพผิด ไปดูถูกคุณเอาจริงๆ ใ, ใจของอาตมานึกอย่างนั้นจริงๆก็พูดความจริงให้ฟังนึกว่ามันยากแต่พวกคุณบอกว่าโอ้เข้าใจดีใช้ได้เพราะอาตมาพยายามปูพยายามอธิบายแล้วก็จะมาสรุปเป็นสูตรให้ฟัง e ถ้ากับ m c กลัง2บวก a นี่เรากาลังสร้าง a เพื่อให้เกิด e e นี่คือพลังทั้งหมดแรงงานพลัง เจ้าเดียวที่ถามนอกนั้นไม่สงสัยอะไรแล้วแสดงว่าพวกเราเนี่ทะลุหมดแล้ว <Yeah. S 1> นี่มันสองทุ่มสิบหกไม่น่าจะเกินสองทุ่มครึ่งเนาะอะ่ลงไปก็คงไม่ยากไอ้ขาขึ้นมันยากหน่อยลงอะไรลงไปอย่าลงเร็วนักหน้าเดี๋ยวหัวขมํมาเดี๋ยวรีบจะไปรีบไปนอนแลยเดีวหัวขมํมาแล้วค่อยลงไปสบาย อาตมาไม่รู้โปรกแกรมจะต้องขึ้นหรือเปล่าจะต้องลงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเอาอาตมาขึ้นมาดอยว้ข้างบนแล้วอาตมาจะนอนบนกุฏิข้างบนเนี่ยอาตมาลงไปหน่อยเดียวนี่ก็ น, นอนบนนี้ฮะอะพวงนี้ไม่มีทรรวัดน์ในตามโปรกแกรมไม่มีทรรวัดมี ท, ม ท, มทรรวัฒน์พวงนี้วันอาทิตย์ไอพวงนี้มันไม่ใช่วันเสาร์เอ๊ะมีอะไรเระดูโปรกแกรมเดี๋ยวอาตมาไม่ได้ดูเอาโปรแกรมมาดูไม่ไม่ได้ดู ว่าอย่างนี้นะครับอ่าตอนเช้าจะมารับการเดินไดูแบ่งสมาธิอ๋อไม่ไม่ต้องเิ็นตาบอ่ามัต้องเป็นตาบไปดูอะไรตอะไรอ้าวตมาไม่ได้คํานวณอะไรทุกวันนี้เนี่ยพวกคุณจะพาไปทํามโนเนียอะไรแต่มาไม่คิดทั้งนั้นน่ะถ้าจะพาไปโนดอยากถึงเวลาว่าตมาขอส่วนตัวหน่อยนี่ตอนนี้ปวดขี้วันนี้ปวดเจยวตอนนี้ขอทําวันนี้นี้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนั้นพวกคุณพาไปเถอะจะทําอะไรอะไมาก็ทําเห็นว่าอันนี้เดี๋ยวว่าตมาขอทําวันนี้ดีกว่ามีก็แบ่งทําเพราะพวกคุณช่วยกันตมาทํางานอยู่แล้ววันี้ เอาตกมันก็แล้วแต่ไม่มีพนาอะไรพวกนี้พวกนี้ผมมอก็ไปดูอะไรอ่าแล้วก็อะไรต่อหอกโมงครึ่งเนี่ยนำเพราะท่านไปเยี่ยมแปลงผักสมาชิกบางเขาทางด้านโน้นใช่ไหมครับทำไ ม, ย ม, มเยี่ยมนี่มีอยู่สองอย่างหนึ่งป่วยสองติดคุก <laughs> ทำไม่ผักมันติดคุกหรือผักมันปว่วยเยี่ย ม, ม, มครับเยี่ยมครับเยี่ยมนี่นะมันมีอยู่สองอย่างไปเยี่ยมเนี่ยมันมีหนึ่งมันป่วยคลป่วยก็ต้องไปเยี่ยมสองคนติดคุกก็ไปเยี่ยมผู้ติดคคกกับป่วยนี่ก็คือผู้ที่จะถูกเยี่ยมเพราะงั้นให้<ต>ปไปเยี่ยมๆๆผักๆๆผักๆๆมันป่วยหรือมันติดโคกเยี่ยมชกแปลงผักอ่าก็มุกแมาก็น่ถ้าตะมาไม่มาท่านี้ตะมาก็ไปหากินอยู่คณะเชิญยิ้มหรือไปอยู่คณะจบโมก็ได้ตะมา ไปอยู่คณะนนท์ได้เพราะมุกอาตมาไม่น้อยดอกอ่ <laughs> อาเนี่ยมัจริงๆอตาตมาไม่ย่อยนะ <c oughs> อาตมานี่ใบอ่อนนะก็ <c oughs> รู้ป<ๆ>่าใบนะอ่อนนะอาตมานี่ระดับใบอ่อนนะ <laughs> ยอดมันไงสุดยอดไงใบอ่อนยอดแตกยอดนี่ใบอ่อน นี่ก็นํานมาเนี่ยนายนายนายนาย แ, แป้งข็นำมาใบอ่อนนะเนี่ยอาตมาเนี่ใบอ่อนอย่าหลงผิด น, นะใบอ่อนนี่คือสุดยอดนะต้องเข้าใจให้ดีนะมาไอ้ใบอ่อนเนี่ยอย่านึกว่าของออจะบี้ง่ายๆจะเด็ดง่ายๆด้วยจะตทำร้ยงีย้มันสุดยอด น, นี่เป็นปรัชญาชนิดนึ่งเหมือนกัน จะขึ้นถึงตรงนี้ได้จะมาแตะตรงนี้ไม่ง่ายเราได้ทำเป็นพูดเดี๋ยวมจะต้องมาบี้มาอะไรเล่นๆเคยยี่ย น, เ, นเด็ ด, ด, ดยอดอะไรง่ายๆอย่าทำเป็นคิดง่ายไม่ใช่ง่ายง่ายนะอ้าวชั้นข้างล่างอ่ะไม่เป็นปัญหาไรข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้อแต่มากไอยู่แล้ว อ, อย่าให้ชั้นได้ทุนแล้วกัน มีแคร์ใครไปชั้นใต้แคร์นี่มันมันอุดอัดหน่อยไม่ดีหรอกแล้วชั้นให้ถ้าชั้นข้างๆแคร่หรือบนแคร่ก็ได้อ้าวมีอะไรไ้ยไม่มีอะไรก็ยี่สิบละสองทุ่มยี่สิบนะพวกเราตอนนี้นะ น, นามทีมาก็ย่านนั้นยาเนี้จะมาก็ไปไม่ได้ทั่วไปได้ก็อย่างนี้แหละ ปีหนึงห่งคนหนึ่งก็บุญแล้วนะหลายที่เคยไปก็ไม่ได้ไปแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเยอะขึ้นอันนี้นนเยอะขึ้นงานส่วนในก็เยอะขึ้นเพราะเราก็ยายไปสู่วงกว้างเอื้อมเอือก เ, เกือกว้างขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ถึงเวลาว่าระที่เราจะต้องทําเพราะงั้นก็เหมือนแก้ตัวอาตมามันมีทั้งงานที่จะต้องทําเขียนบันทึก เพราะหลายอย่างที่อาตมาว่ามันยังไม่ง่ายที่จะต้องบันทึกไว้เพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจใกันในอนาคตขนาดอาตมาบันทึกอาตมายังต้องทวนแล้วทวนอีกแก้แล้วแก้อีกไม่ง่ายเลยอนะซึ่งอาตมาว่ายังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองนี่เป็นคนวนซ้ำซ้าไปซ้ำมาหรือเปล่าคดพยายามทวนตรวจไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเป็นสภาพของความ อะไรเขาเรียกอัลไซเมอร์ชนิดหนึ่งอะอะไรทำย้าคิดย้ําทําเนี่ยมันย้าคิดย้าทําหรือเปล่ามันเป็นโรคอัลไซเมอร์ชนิดหนึ่งอาตมาก็พยายามดูว่ามันไม่ใช่หรอกมันมันต้องทวนแก้เพราะมันละเอียดที่จะใช้สื่อนิรุติปฏิพานที่จะมาสื่อสภาวะอัตถธรรม น, นี้ให้มันตรงให้มันง่าย ให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องอย่างบริบูรณ์มันไม่แห่งหนหน่ายเลยในนามธรรมที่มันยังไม่มีภาษาไทยที่จะมาทำานี่ยมันคือมาขยายเป็นสำนวนไทยภาษาไทยองค์ประกอบนิรุติปฏิพานเพื่อที่จะมาสร้างองค์ประกอบสื่อที่เมื่ออ่านเมื่อสัมผัสอันนี้ขึ้นไปแล้วมันก็ถึงจะขยายความรู้ขึ้นมาได้ ตั้งแต่คำคำเดียวสับคำหนึ่งไปจนกระทั่งสับหลายคำมารวมกันเป็นเป็นวลีเป็นประโยคจนกระทั่งเป็นปริเฉตเป็นบทเป็นเรื่องราวซึ่งมันมันไม่ใช่งานง่ายเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีมาก่อน นอกจากไม่มีมาก่อนแล้วไอ้ที่มีมาก่อนอาตมาต้องมาแก้ต้องมาแก้่ก่อนที่ว่า ม, มันมันยังไม่ถูกดีนักอันนี้ก็พูดอย่างอวดดีนะผูกบนตัวเองอวดดีแต่อาตมาก็ทบทวนอาตมาจะเข้าใจผิดของท่านทวารไว้ก่อนหรือเปล่าโ บ, บราณอาจารย์ท่านว่าไว้ก็พยายามทบทวนพยายามไม่ประมาทที่จะไปรื้อหรือไปแก้ไปทําลายที่ท่าน ถือกันมาก่อนแล้วใช้กันมาก่อนแล้วก็ใช้ได้เช่นสมัยโบราณเนี่ยเขาคำนวณการโคจรอของโลกดวงอาทิตย์ก็อยู่กับที่เขาก็คำนวณสุรยาาิยค้าศจันทรข้าศได้นะในช่วงนั้นนะ่ะดวงอาทิตย์เขาถืออยู่กับที่นะยังไม่ได้เดินโคจรละเอียดขึ้นไปอย่างทุกวันนี้ที่เข้าใจ เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็คำนวณสุริรยาค้าจันทข้าได้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ได้ขนาดหนึ่งแต่มันยังละเอียดกว่า น, นั้นจะมั่นกว่า น, นั้นมากเลยทุกวันนี้ก็จึงสูตรเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้สูตรใหม่ต้องใช้สัจจะใหม่พระที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรที่จะต้องคำนวณเทียนไปจากนั้น บ่งกว้างขึ้นมีเหตุปัจจัยมากขึ้นก็ได้รายละเอียดที่มั่นยำถูกขึ้นเป็นรายละเอียดที่คมชัดอแทนที่แต่ก่อนนี้เราจะเห็นคํานวณดวงดาวรูปแกนนี้พอได้สูตรใหม่อะไรใหม่โอ้โหที่จริงดวดาวเราเห็นแค่นี้เองแต่ก่อนแต่เดี๋นี้มันโอ้โหดวงแค่นี้เนี่ยเอาจริงอะไรต่างๆนานาทั้งใน เส้นทางทั้งในตัวมวล น, นะมันก็จะเพิ่มขึ้น ม, มีคนแนะนำว่านิมนต์พ่อท่านเทศที่ศาลาเห็นแจ้งนี้แล้วลงไปชั้นที่โครงการดีไหมนะมีคนเสนอมา ไอ้พ่อท่านเทศทิศลาเห็นแจ้งนี้ไม า, ายกับวารการพวกนี้อะ่ะพวกนี้เทพตอนไหนก่อนฉันเทพก่อนฉันอ่าก็ต้องขึ้นมากันออกกําลังออกกําลังอใครรู้รู้สึกตัวว่าจะต้องนั่นนั้นก็บอกกันใครรู้สึกว่าตัวเองจะกําลังไม่ดีคอ่คอยมาช้าชามาก่อนมาก่อนอ่าก็คอ่คอยทยอยขึ้นมานั่งพักรู้ช้าชามา แล้วก็มารอข้างบนนี้ได้รองนะที่จริงมันดีมันได้ออกแรงได้แต่งสุภาพเพราะว่าได้กออกกำลังกายจริงๆและได้อาหารอากาศอ า, า, ศอาหารที่เป็นอากาศสดดีใสสะอาดได้จริงๆก็มากันก่อนเป็นไงตกลงว่าไงพรงนี้เท่ก่อนชั้นข้างล่างหรือข้างบนนี้จัดไปตรงไหนล่ะ ต้องค ำ, งำนึงถึงด้านๆท่านเขาด้วยนะาาก็ลงไปชันไงนเสร็จแล้วก็ลงไปไงาาอ่<ส>อ่าเพราะฉะ น, นั้นเราก็ไม่เป็นนี่เราชันห้าโมงห้ามงตรงก็ได้ไม่ใช่เราช้าย5ห้าโมงกว่าก็ได้จะเดยลงไปอีกอย่างมากก็20ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็เละไปยี่สิบนาทีประมาณนั้น เพื่อนเขาก็อยู่แล้วก็ก็นอ<ๆ>นที่นี่คืนนี้พรุ่งนี้ก็ก็รอไปตรงนี้ข้างล่างกม็มีรายการอะไรที่ตรงนั้นนอกจากเขาแปลกปล้องไปถ่ายเก็บเพราะนั่นเองนอกนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรนี่อ่<ม>าก็ก่อนอ่าเก้าโมงก็ที่นี่ก็พร้อมวันเทศได้เลยออกอากาศเลยถึงห้าโมงยัง ก, ก็ไปชันกันอ่าอ้าวตกลงอย่างงั้นนะเป็นอย่างงั้นก็นดี อ้าวตกลงวันนี้ก็เอาเท่านี้สำหรับรายการวันนี้ออกอากาศอยู่ใช่ไหมตอนนี้อ่าออกอากาศอยู่อ้าวทางบ้านอ้าจะลาไปนอนแล้วนะาทางบ้านอ้าวขอเจริญธรรมนอนหลับดีๆไม่ต้องฝันเลยดีไม่ใช่ว่าฝันดีฝันดีเดี๋ยวฟุ้งซ่านนะไม่ต้องฝันเลยก็ดีนะอ้าว